ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการคุยธรรมะกันก็มี สิ่งใดที่พระเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยท่านฟัง น่ะแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือว่านักการเมือง นับประนสิ่งที่พระองค์พูดมานี่ก็จึงเป็นสิ่งที่น่าฟังเวลาที่เราคุยกันดูเรื่องของธรรมะเนี่ยให้ อ่าไม่เป็นอย่างนั้นในสมาธิสุริยชาติของเราขาดมีความเฉียบคมในเรื่องของค่อยความที่ตรัสออกมานะมีการใคร่ครวญวิกิวิกิจเอ่อๆกว่าจะพูดมาสัก แต่หลายพวกหลายชาติจนนั้นไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องธรรมะมากเวลาจะพูดธรรมะเนี่ยไม่ต้องคิดไว้ก่อนนะเคยไปพูดกับเคยตระ ชำนาญในเรื่องของธรรมะเนี่ยมากนะใครจะมาถามธรรมะหมวดไหนเนี่ยไม่ได้ว่าต้อง นะจึงเป็นสิ่งที่ควรจะเอามาพิสูจน์จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะมาไป เงียบหูฟังเนี่ยก็หมายถึงว่าเราตั้งใจฟังน่ะคอยแล้วอื้อจะพูดอะไรอย่าทําเสียงคือแบบกันอย่างนั้นน่ะฟังด้วยดีอย่างนั้นน่ะอยู่ในท่า <c oughs> นะเงี่ยหูฟังเนี่ยก็คือถึงแม้จะอยู่ 3 คือตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่ว เมื่อธรรมชาพูดมาแค่คาถาเดียวดังเช่นว่าสิ่งอะไรเอ่ออเนกชาติหมายถึงอะไรชาติคืออะไรน่ะสิ่ง เรนะเล่าเรียนทำนั้นนี่คือว่าเอามาศึกษาวิเคราะห์ให้ดีอย่างที่ว่านะพอศึกษาค่อยเสร็จแล้วก็ทําให้คุ้นใจใช่มั้ยท่องให้คุ้นใจแล้วก็ ทำให้บันเทาความสงสัยในทํามันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยได้นะเปิดธรรมที่ยังปิดอยู่ เราศึกษาตรงเนี้ยถ้าเราศึกษาด้วยกระบวนการฟังในฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังตั้งจิตเพื่อจะรู้ถ้า เดี๋ยวจะมีส่วนที่เป็นพระวจนะเนี่ยแฝงอยู่เราก็เอาเฉพาะตรงที่เป็นพระวจนะก่อนไหนแยกตรงนั้น ในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยต่างๆได้ในอยู่อย่างเช่นเวลาที่เราอ่านพุทธวจนะสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่น นะเอาละก็มาทําการฟังให้ดีอืมตรงนี้หมายบุคคลบุคคลนี่ใครบ้างบุคคลนี่ใคร ไหนถ้าบุคคลไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเป็นอริยบุคคลหรือว่าเป็นปุถุชนนั่นก็คือ คิดวิเคราะห์ใคร่ครวนวินิจฉัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเอ๊ะต้องวินิจฉัยใน 4 นะผลอ่าความดาบวิธีการแก้ปัญหา มัน 10 ประเภทแบ่งเป็น 20 ประเภท 30 ประเภทเอาๆก่อนนะ 2 ประเภทนั่นคือความสุขๆแค่นี้นะสิกที่เอ่อความสุขๆงามๆอ่ะ จมูกก็เหมือนกันดมกลิ่นหอมนะลิ้นกายนะ 3 5 อย่างนี้เราเรียกว่าความสุขที่เกี่ยวเนื่องด้วยกามนะความสุขที่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกส่วน นะเจอเรื่องราวสิ่งใดที่ 2 ส่วนอย่างนี้อย่างงี้แล้วเรามีข้ออย่างงี้แล้วนี่ 1 อ้าวเราลึกลงไปอีก นะแล้วข้อดีของไอ้เจ้าความสุขในใจล่ะก็เหมือนกันมันก็เกิด ผ่านทะเลอย่างเงี้ยแม้ท้องฟ้าภูเขาทะเลนกร้องจิ๊บๆอ้าวทําไมมี มันน้อยแต่แต่โทษของความสุขที่เกิดจากกามๆดังนั้น 2 อย่างนี้ละไอ้ความสุข 3 อย่างนี้นี้นะให้วินิจฉัยถึงเหตุถึงผลข้อดีข้อเสียนั่น แน่พอรู้จักการวินิจฉัยความสุขแล้วเนี่ยก็ควรประกอบความ ในความสุขที่เกิดจากภายในควรเจริญให้มากนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความสุขที่ 24 ชั่วโมงอ่ะคุณหาความสุขยังไงถ้าท่านใน 24 ต่ะๆในทางตรงกันข้ามเรามีความสุขที่ในในมากขึ้นนั่นเองสัดส่วนก่อนลดไอ้ทางความสุขทางข้างนอกในในได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ รู้จักการวินิจฉัยในความสุขเวลาฟังธรรมะท่านผู้ฟัง